เวลาเราไปกินอาหารที่ปัตตาคารหรือร้านที่เขามีบริการบุฟเฟ่เราต้องจ่ายเงินก่อนนะแต่เ้วก็ไปเลือกตักอาหารจะตักอะไรก็ได้เท่าไหรก็ได้มีโต๊ะก็มีโต๊ะเรียงหลายโต๊ะทีเดียวนี้สมมุตินะมีโต๊ะที่เป็นโต๊ะสลัดผักเนี่ยมีเห็ดราคาแพงแต่ไม่ค่อยอร่อย นะกับมีถั่วราคาไม่แพงนะแต่ว่าอร่อยเราจะเลือกตักอะไรนะถ้าหากว่าตักได้แค่อย่างเดียวก็พบว่าคนจำนจนไม่น้อยเลยนะหนึ่งในสามก็ว่าได้จะตักเห็ดนะทั้งที่ไม่อร่อยเท่าถั่วแต่เพราะว่ามันแพงกว่าถั่วนะที่เขาตักเห็ดนี่ไม่ใช่เพราะว่าพอกินเข้าไปแล้วมันอร่อยนะหรือมีความสุขนะแต่พอ ร, รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากว่า ตักถั่วเนี่ยนะอร่อยจริงแต่ว่าคุณผู้ชมไม่คุ้มค่าหลายคนก็เลือกตักอาหารที่ราคาแพงทั้งทั้งที่ไม่อร่อยเพราะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากว่าหรือพูดยันก็คือว่ามันกําไรนะถ้าไม่ใช่เพียงแค่คุ้มค่าแต่ว่ากําไรเนี่ยก็จะตักเลยตักเยอะๆกินหมดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตักเยอะๆไว้ก่อนเพราะว่าคุ้มค่าหรือเพราะว่ารู้สึกว่ามันกําไรนะจ่ายไปสามร้อย จะตักถั่วราคาถูกๆได้ยังไงนะก็ต้องตักเห็ดที่มันราคาแพงตักให้มันมีมูลค่าเกินสามร้อยิ่งดีเลยนะอร่อยหรือไม่อร่อยแม่ๆอร่อยก็ก็ตักไว้ก่อนตักแล้วกินกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรอ่านี่ก็น่าคิดนะทำไมคนจนไม่น้อยเนี่ยเลือกตักอาหารด้วยเหตุผลว่ามันคุ้มค่ากว่าหรือเพราะว่ามันกาไร มากกว่าที่จะเป็นเพราะว่ามันอร่อยอันนี้จะเรียกว่าให้คุณค่าให้ความสำคัญกับเม็ดเงินก็ได้ให้ความสำคัญกับเม็ดเงินมากกว่าความสุขนะความอร่อยนี่ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเรื่องที่จะให้ความสำคัญกับเม็ดเงินคือกำไรหรือความคุ้มค่านะมากกว่า ความอร่อยหรือความสุขอันนี้ก็คงไม่ต่างจากถ้าจะให้เลือกระหว่างนะทำงานแห่งหนึ่งได้เงินเดือน5 0 0แสนแต่ว่าต้องทำงานหนักสาวะที่อาจจะไม่ได้พักเลยอาจจะไม่มีเวลาได้อยู่กับครอบครัว1 น, นะหรือ2องทำงานอีกที่หนึ่งนะเลื อ, อกตาแหน่งหนึ่ง ได้เงินเดือนสอง0สแต่ว่ามีเวลาพักนะมีเวลาได้อยู่ครอบครัวมีเวลาที่จะได้อ่ไปเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นะจะเลือกอะไรนะจำนมไม่น้อยเลยนะหรือบางทีส่วนใหญ่ก็ว่าได้เลือกข้อแรกนะนะได้เงินเดือนห้าแสนแต่ว่า ทางทั้งที่รู้ว่ามันอาจจะเครียดไม่เคยมีความสุขน้อยคนที่จะเลือกอาอสองนะได้เงินเดือนน้อยกว่าแต่มีความสุขนะมีเวลาได้ผ่อนคลายอันนี้พอลายบราะคนให้คุณค่ากับเงินนะมากกว่าความสุขนี้กลับมาที่ทัวกับเห็ดนั่นนะอย่างที่บอกมีหลายคนเนี่ยนะเขาเลือกที่จะ ให้ความสำคัญนะกับเม็ดเงินคือความคุ้ ค, ค, คุ้มค่าคุ้มค่านะหรือว่าถึงขั้นว่าเออกำไรนะมากกว่าความสุขจากการได้กินของที่อร่อยหรือของที่ถูกปากที่จริงแล้วเนี่ยาการเลือกกินของที่อร่อย นะถูกปากหรือว่าให้ความสุขกับเราอันนี้แม่จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการกินของที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่านะหรือว่าได้กำไรแต่ว่าที่จริงมันมีดีกว่านั้นนะคือกินเพื่อสุขภาพนะนะกินเพื่อสุขภาพมากกว่าความอร่อยความอร่อยเนี่ยมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะ แต่ว่ามันก็เป็นความสุขชั่วคราวสุขตอนที่กินนั่นแหละแต่พอกินอิ่มแล้วมันก็ไม่สุขละและมีน้าซ้ําน้ำอาจจะเกิดโทษก็ได้นะถ้าเรากินแต่ของที่อร่อยพอคิดว่ามันให้ความสุขแต่ถ้าเรากินเยอะๆกินเป็นนิดนะมันก็อาจจะเกิดความเจ็บความป่วยขึ้นได้กินของหวานมากๆนะนะกินอาหารที่มีไขมันเยอะๆมีเนื้อ ชิ้นใหญ่ๆโตโตเงี้ยอร่อยนะแต่ว่ามันทําให้เกิดความเจ็บป่วยได้ในระยะยาวเรียกว่าสุขชั่วคราวนะแต่ว่าทุกยาวนานนะอร่อยเป็นความสุขที่เกิดขึ้นขณะที่กินมันก็ไม่นานนะอาจจะครึ่งชั่วโมง15นาทีแต่ถ้าเกิดเจ็บปวยนะโอ้มันเจ็บป่วยทั้งวันทั้งคืนเลยนะ เช่นเป็นโรคหัวใจเงี้ยหรือเป็นโรคเบาหวานเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยเป็นพักๆนะวันหนึ่งสิบห้านาทียี่สิบนาทีไม่ใช่ไหมมันป่วยทั้งวันนะเกิดทุกขเวทนาทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่ใช่แค่วันเดียวนะมันต่อเนื่องกันเป็นเดือนเป็นปีเลยถ้าดูมันก็ไม่คุมนะเมื่อเทียบกับว่ากินเพื่อสุขภาพเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่อร่อยนะแต่ว่ามัน ไม่ทําให้เจ็บป่วยในระยะยาวอาจจะกินอาหารที่เป็นผักอาหารที่มีไขมันหรือว่าน้ําตาลน้อยนะมันก็ทําให้สุขภาพดีแม้ว่าจะไม่อร่อยไม่ถูกปากก็เรียกว่ามันมีความสุขที่ยืนยาวกว่าเพราะว่ามันหมายถึงความไม่เจ็บไม่ป่ว ย, ยที่ยืดเยื้อเรื้อรัง มันหมายถึงการมีกำลังวังชาที่ทำอะไรต่ออะไรได้สะดวกถึงแม้ว่ามันจะไม่ไม่หวรหวานะไม่กำทราบเท่ากับรสชาติที่อ ร, อร่อยนั้นถ้าเลือกเนี่ยระหว่างกินเพื่อกินเพราะคุ้มค่านะกับกินเพราะว่ามันให้ความสุขคือความอ ร, อร่อยเนี่ยนะ เราควรเลือกอย่างหลังแต่ถ้าจะเลือกระหว่างความเร็นอร่อยนะกับการมีสุขภาพดีเนี่ยซึ่งก็เป็นความสุขทั้งคู่นะแต่สุขคนละแบบอร่อยนี่สุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานอาหาสุขภาพดีอาจจะไม่ค่อยอร่อยนะจืดนะแต่ว่ามันให้ความสุขที่ยั่งยืนเราก็ควรจะเลือกอย่างหลังอันนี้คือเหตุผลนะเวลา พระเราเนี่ยจะฉันอาหารเนี่ยเราก็มีการพิจารณาอาหารก่อนพิจารณาอาหารเตือนใจเราว่าเรากินเพื่ออะไรไม่ได้กินเพื่อความบริสุทธอร่อยไม่ได้กินเพื่ อ, อสวดทรงรูปร่างหน้าตาหรือความความโกกความเก๋ความโกกความเก๋ออกมาก็ว่าไปกินน่าอาหารหรูๆ ร, ราคาแพงเพื่ออวดความมั่งมีเพื่อหน้าเพื่อตาแต่กินเพื่อ สุขภาพนะเพื่อบาบัดทุกขเวทนาเก่าแล้วก็ไม่สร้างทุกขเวทนาใหม่ทุกขเวทนาใหม่คือความจุกนะความอึด อ, อ, อัดเลือดจุลหมาถึงความเจ็บป่วยในระยะยาวก็ได้นะฉะนั้นชาวชาวูดเราผู้ใยทมเนี่ยนะเราต้องรู้จักพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงามนะซึ่งมันก็มีหลายหลายระดับนะระหว่างความสุขกับ เงินเนี่ยนะเราก็ควรจะให้ความสําคัญกับความสุขมากกว่าแต่ระหว่างความสุขเพราะอร่อยนะกับความสุขเพราะสุขภาพดีก็ควรจะเลือกอย่างหลังแต่สุขภาพดีก็ยังไม่สําคัญแต่ว่าความสุขทางใจนะสุขกายแต่ว่าใจไม่สุขนี่มันก็สู้ใจที่เป็นสุขไม่ได้แม้ว่าร่างกายจะเจ็บป่วยอ่อนแอนะถ้าเรารู้จักลําดับความสําคัญของความสุขได้เนี่ย มันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็มีชีวิตที่ดีงาม